ก็ขอโมทนาในรอบที่สุดท้ายนี่นี่แล้วเวลากันอีกประมาณชั่วโมงกว่านิดหน่อยนะตรงนี้ก็เดี๋ยวเราปารพในการฟังธรรมในการสร้างบา ร, รมีของพระโพธิสัตว์แต่ในวันนี้ก็ดังที่ได้แจ้งข่าวไปก็คือว่า จะมีการเจริญอธิษฐานแผ่เมตตาบ้างแล้วก็เจริญกุศลในการอุทิศให้กับแล้วก็ในการอุทในการแผ่เมตตาบารมีต่างๆในนี้ในนี้ก็ทำในการเอกสารนี้ก็เป็นการ เ, เมตตาสมาธิภาวนาอันนี้แบบพิสดารแต่บางท่านก็ท่องได้นะ ถ้าเป็นพระจะค่อนข้างยาสาธยายนี้ได้แต่โดยมาท่านจะสาธยายเป็นภาษาบาลีคือสาธยายแล้วเข้าใจเลยเนี่ยนะอันนี้ก็ท่านเป็นการเจริญเมตตาแบบอนโนทิสาพระนาเมตตาเจโตมุตกับโอทิสาพระนาเมตตาเจโตมุตแบบแผ่เมตตาโดย โดยไม่เจาะจงกับโดยเจาะจงตรงเนี้นะฮะแต่เราฟังทําไปอีกนิดหนึ่งแล้วก็มาเจริญมาแผ่เมตตากันแล้วแผ่เมตาก็ก็ค่อยค่อยว่ากันตรงนั้นนะเนี่ยอันนี้ตรงนี้บอกบอกข้างหน้าเขาไว้ก็กจะมีการแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายเขาบอกเมตตาถ้าเกิดแล้วจะทําให้ ใจิตใจเรานั้นได้เกิดความเยือกเย็นด้วยนะมีความสุขมีความรักความปรารถนาดีและในขณะเดียวกันก็คือเป็นการให้กับบุคคลอื่นได้มีความสุขให้มองกันด้วยปียะจากสุมองกันด้วยสายตาเป็นที่รักคือวัตถุประสงค์คืออย่างนั้นเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยบุคคลมองกันแล้วไม่ค่อยมีปียะจากสุ ไม่ค่อยมองกันด้วยด้วยสายตานเป็นที่รักก็ทั้งทั้งที่ก็เคยเกี่ยวพันกันเป็นพี่เป็นน้องกั น, เ, นเพราะสังสารวัตมันกบทับ พ, พบชาติหน่อยแค่นั้นแหะก็มองกันเป็นศัตรูกันนะข้าวนข้าวเลยกลายเป็นคั่อาฆาตกันซึ่งกันนาเป็นห่วงที่ไม่ได้ศึกษาว่ารมกันก็เป็นแบบนเนี้ยนะจนเราท่านทั้งหลายเนี่ยรู้ว่ารำบ้างนี่ก็ก็ทําไงก็ ก็ต้องวางจิตกันให้ถูกแล้วก็แผ่เมตตาในยงในช่วงนี้ก็ถ้าวงการกณนอาสงเลยเขาก็แผ่เมตากันสวดมนต์กันเจริญพุทธมนต์กันอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็บอกจรทำบุญให้ประเทศก็ก็นั่นแหละนะวัตถุประสงค์ก็คือต้องการที่จะหล่อหลอมให้เป็นความสามัคคีกันอันนั้นก็เป็นวัตถุประสงค์ที่ ต้องการให้เราท่านทั้งหลายได้มีจิตใจอยู่ำกับะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทีนี้พอพูดถึงในเรื่องของสุมัาลกะนะสมเด็จพระสุมาลกะพระพุทธเจ้าสยามภูพระ อ, องค์เกิดในอุตมะมหานครตรงนั้นก็คือท่านก็ได้พยากรณนะ์นะนะโคตมะพุทธโธพระวิศสศิดูก่อนพรามการล่วงไปนาะนาะคตการอีกสอง อสงไขยแสนกลับหนึ่งที่ได้กล่าวท่านจะได้ตัดสรุ้เป็นพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าโคดมในพัตตะกับอันจะมีในที่สุดในสองอสงไขยแสนกลับนั้นฝ่ายพระมหาบุรุษสุรุจีพราหมณ์นั้นได้สดบพุทธปยากรแล้วก็ปรีดาดำริว่าโพสิโพธิสมผารของเราที่ยงแท้ในะบนัดนี้จะเป็นจะประโยชน์อันใดด้วยคารวาวิสัย ขั้นแล้วพระมหาสัตว์ก็สระสมบัติอันไพยบูรณ์ไม่ได้อาลัยออกบรรพชาในสำนักพระสุมังคราศาสดาอุตสาหะบํเพนคันถาธุระแล้วก็เจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนานี่นะก็ได้อภิญญาสมาบัติไม่เสื่อมคือในคำสอนเนี่ยโดยมากท่านจะบอกว่าเจริญสมถกรรมฐานแต่โดยหลักก็คือว่าโดความเป็นจริงก็คือว่าพระโพธิสัตว์ท่านจะเดินวิปัสสนาด้วย เวลาท่านเดินสมถะกรรมฐานได้ทั้งปฐมฌานตุติฌานตติฌานเจตุติฌานหรือเจริญ ร, รูปฌานอะไรก็แล้วแต่แต่เวลาท่านจะไปเกิดเนี่ยท่านจะอยู่แค่ปฐมอยู่แค่ระดับในรูปฌานเท่านั้นเองแล้ววิปาาัสสนาญาณท่านต้องเดินไม่ต้องเดินทําไมท่านต้องเดินวิปาาัสสนาญาณเพื่อความเป็นผู้ไม่ลุ่มหลงนี่สาคัญมากเลยถ้าอย่างนั้นท่านจะพิจารณาด้วยความเป็นรูปนามได้อย่างไรใช่ไหม เห็นด้วยความเป็นสัตว์บุคคลแล้วมีความเข้าใจในสัตว์บุคคลได้เป็นอย่างดีสุมังคราชภควาโตสมเด็จพระผู้มีพระเจ้าสุมังคราชยัมภูนั้นพระองค์เกิดในอุตตรามหานครสมเด็จพระพุทธบิดาทรงพระนามว่าอุตรบรมกษัตริย์อุตรคติยาราชกัญญาเป็นพุทธชนนีคู่อัครสาวกซ้ายขวามีพระนามวสุเทวเทระแล้วก็ธรรมสัญญาว่าพุทธอุษถากมีพระนามมีนามว่า พระปาริตะปาริตะเทระพระศิวรีเทระแล้วก็อานโศกาสีเทรีเป็นอัครส า, าวิกาซ้ายขวาพญาไม้กากระถิงเป็นโพธิสถานเออไม้อะไรก็ได้แต่นะถ้าพระร่มศ า, าสดาเป็นนั่งหรือพระโพธิสัตว์เป็นนั่งแล้วตัดสู้ไม้นั่นจะเรียกว่าไม้โพหรือต้นพระศีมหาโพมีพระสรีรากายสูง8 2พระชนมยุบ เก้าหมืนปีทำพุทธกิจที่สุดการแล้วก็เสด็จดับขันทบรินิพานเตนะวุตังเหตุ ด, ดังนั้นพระคันธารัตนาจารย์จึงสาทกอุทานคาถาบอกว่าโกนตัญสสะอ ป, ปเรณสุมังครานามะนายโกเป็นที่บันฑดตพึงทราบความในอุเทนคาถานั้นอุทานคถาานประการต่อมาก็คือปิดถึงการสมัยของพระสมุนพุทธเจ้าสมณะนี่นะ นะการตายหลังจากศาสนาของสมังคารพุทธเจ้านั้นนานนับได้พุทธันดรนหนึ่งจนถึงพุทธการพระสมังคอาอสุมณพระสุมาณะสัมมาสมุเจ้ากําหนดสาวกสันนิบาตสาการเหมือนกันในพัทธมการประชุมสันนิบาตสาวกแสนโกรธท่ามกลางพุทธการก็ประชุมเก้าสิบโกรแล้วก็มาประชุมอีกประมาณ80ดสิบแสนโกรเนี่ยนะ การเมื่อพระพุทธทางโกนโพธิสัตว์สืบปฏิสนธิกำเนิดในผู้ชังคตะนะผู้ชังคตะกูลนามพญาอดุลวาสุกรีก็คือมีมหิทธาศักดานุภาพมากยิ่งใหญ่ได้เป็นอิสระสราธิปติในหน้ากริบพบอันนี้เป็นมนุษย์หรือเป็นอะไรโอ้โหเนี่ยเห็นไหมเนี่ย แต่ก็ยิ่งใหญ่นะมีอิทธิฤทธิ์แต่ปฏิสนธิด้วยแะไะเป็นไอเหตุุกาศอีกเห็นไหมดูสิเนี่ยอันนี้เป็นได้รับพยากรแล้วยังลงไปข้างล่างไนดะ้ถึงจะลงไปอย่างผู้ยิ่งใหญ่ก็กลายเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่แบบเป็นนาคกันเนี่ยได้แจ้งกิติศักท์อันบรรลือว่าสมเด็จพระสุมนณะพระพุทธเจ้าได้อุบัติเกิดขึ้นแล้วก็แวดล้อมได้ไปอยู่ละสัมพันธญาติคณะ นาก บ, บริษัทมาแล้วออกจากนากระพบพมาถวายนะมสักการทาสการะบูชาสมเด็จพระสุมนาพรุทธเจ้ากับสงบริวารประคมทิพย์ุรยิยังโดนตีสาเนียงเสนอเลิศแล้วได้อุทิศถวายทิพยะภูษามีสีอันงามประเสริฐแก่พระบรมศาสดาสงสาวกประมาณ90้าสิบแสกดใเท้าเธอก็ถึงไตสรสนธคมได้นะและได้ไตสรสนธคมกสิณนะี่ ไม่สามารถจะเจริญสมถธาวิปัสนาได้แลวเนี่ยไม่เลยก็หมายความว่ารู้ได้เข้าใจได้ระดับแต่ไม่สามารถจะทำสมถธาวิปัสนาให้ไหลเข้ากระแสขันเป็นวิปัสนาญาณอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะไม่ได้อย่างงั้นมีความเข้าใจไหมเข้าใจนะเพราะท่านเป็นนาคที่มีอัจฉริยะใสมีบารมีมาไกลท่านไหนที่ฐานวัวสดได้ระดับเนี้ยนะ สรุปแล้วก็คือถ้าพูดถึงจริยาวัดของท่านงามกว่าพวกเราอ่ะที่เป็นคนที่เราบารมีมาระดับนี้แล้วเนี่ยแล้วในส่วนจริงๆท่านก็ได้รับพยากรบอกว่าพยาอดุลยะนาคราชนี้นานไปในอนาคตสองสองข่ยแสนกลับเนี่ยจะตักเป็นสัพพัญญูพระองค์หนึ่งมีนามวสีสักยามุนีโคโดมแต่นาวตังเหตุนั้นสมเด็จพระนันตชินนโรคเชิเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้นุตรสัมมาสัมพธิญาและจึงโปรเทสนาวทานกถา มีวิสัชนามาไว้แล้วจึงได้ตรัสอนุสนทีแสดงสืบต่อไปบอกว่าสมเด็จพระสุมนุพรพุทธเจ้าพุทัสต ร, รียกรเราอดุลย์ผู้ชงองค์พุทธทางกูนนั้นพระองค์เกิดในกรุงเมฆคราบรมราชธนรนีรบ ร, บรมราชธานีแล้วก็สมเด็จพุทธชนกทิบดีทรงพระนามพระเจ้าสุทัศตะสมเด็จพระพุทธชนนีพระนามวสริมา สมุติเทวีคู่อัครัสสาวกซ้ายและขวาว่าพระสารณะเถระและพระโสมพิตะพุทธวัฏฐคืออุภาอุทานเถระพระเสนาเถรีและอุ ป, ปะเสนาเถรีทั้งสองนี้เป็นอัคราสาวิกาซ้ายขวาพญาไม้กากระิงเป็นโพธิสถานพระพุทธศิระสูง92้พระชนมายุก็90ปีทำพุทธกิจอยู่ถึงอวสารก็เสด็จดับขันธปรินิพานอันนี้ก็ผ่านไปอีกอง ก็ได้รับพุทธยาก่อนแต่ก็นั่นแหละไปเป็นปยญานาาถ้าเป็นปยญาน้าในภพถัดไปก็เป็นเทวดาหรือมนุษย์ไม่สามารถจะไปพรหมไดน้นี่เป็นอย่างนั้นในการเบื้องหน้าแต่พระสุสมานณะพทธเจ้ารน่ล่วงไปแล้วกำหนดได้ถึงพุทธันดรนหนึ่งถึงศาสนาของพระเรวตะสัมมาสุเมตยเจ้าได้มาอุบัติขึ้นในพุทธกาลนี้ก็ มีการประชุมสาวกสันนิบาตสามการเป็นประธานการประชุมสาวกประมาณนะมิได้มชิมการก็เพียงแสนโกรธในอวสานการก็ประชุมแสนโกรธเหมือนกันตถาโพธิสัตว์โตในการนั้นพุทธทางกุลโพธิสัตว์เสวยพระชาติกำเนิดในตระกูลพราหมณ์อันนี้เป็นอติเทวามานพเป็นอติเทพนี่เป็นมานพเป็นพราหมณ์อันนี้ดีหน่อยใช่ไหมไม่เหมือนเมื่อ พบที่เป็นในชาติพัษสุมาณะพระรุทธญาแล้วในขณะนั้นได้ฟังธรรมกถาแสดงคุณแล้วก็ประหารกิเลสแห่งสมเด็จพระโลกเชตเลื่อมใสตั้งอยู่ในไตรสนานาคมยกขึ้นเหนืออุตมมงค์แล้วก็เปื้องอุตราสง์ออกทาสการะบูชาพระสัทธรรมเทศนาในขณะนั้น สมเด็จพระผู้มีภาคก็ดำรัสพุทธพยากรว่าติเทวามานาพนี้นานไปในอนาคตจกได้เป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งพระนามว่าสาศศีสัสกยมุนีโคดมเหตุดังนั้นเนื้อความนี้ต้องตามในายแห่งอุทานคาถาที่สัพัญยูได้ดำรัสไว้ใจความว่าเรวัตสัมมาสมัมพุทธเจ้าผู้ใดพยากกรเราอติเทพพุทธทางกูลครั้งนั้นพระองค์เกิดทัญญวดีมหานคร พุทธบิดาพระ น, นามว่าวิปุลาราชและก็พุทธชนนีนาฏพระ น, นามว่านางวิมลวิบุลราชเทวีอัคราสาวกทั้งสองซ้ายขวาพระุราเถนะและก็พระพรหมเทวะเถวเทนะภิกษุพุทธวัฏฐ์มีพระ น, นามว่าสัมภาราเถนะและก็พุทธภิกษุณีนะพัทธาเป็นภิกษุณีและก็สุพัทธาเทวีเป็นคู่อัคราสาวิกาซ้ายขวา ไม้กากระทิงเป็นโพธิสถานมีพุทธุณพระพุทธคุณนะพระพุทธองคนะ์มีพระกายสูง82พระชนมายุ60 0มืนปีดำรงพุทธกิจนานอวสานแล้วก็เสด็จดับขันธพรินิพานประการต่อมาก็คือมาถึงทโสพิตะพระพุทธเจ้าหลังจากพระเรวตะพุทธเจ้าร่วงไปแล้วนะปรินิพานไปแล้วหนึ่งพุทธันดอนก็ถึงศาสนาของพระโพธิโสิตะพุทธเจ้า เม้าบาเกิดขึ้นในสารมดกับป๋อครั้งนั้นก็มีสาวกสันนิบาตสาการในปฐมโพธิการสาวกประชุมร้อยโกรดในมัดชิมพอิการก็90โกรดในตอนอวสานก็สันนิบาตอีก90โกรดเสมอการพระองค์ก็เกิดในสุธรรมมะมหานครพุทธบิดาก็พระนามว่าสุธรรมะสมุติเทวราชแล้วก็ชนนีนาฏก็พระนามว่านางสุธรรมา พระอัสมาเทระพระสุเนธเทระเป็นคู่อัครส า, าวกซ้ายขวาอโนมาเทระเป็นพุทธอุบกากพระนักกุราและก็สุชาตาเทวีเป็นอัครส า, าววิกาซ้ายขวาไม้กากะทิงเป็นโพธิสถานเหมือนกันทั้งสี่พระองค์มีพุทธสิริลักษ์ร่างกายสูง58สศอกมีพระชนมายุก 90, ้า0มื่นปีตอนนั้นพระบรมโพธิสัตว์เสวยพระชาติกาเนิดในตระกูลพราหมห์มหาสานามวชิตามานพ ได้สดับมทุรสรรมกถาแล้วดำรงยูนในตรัยสนนคมบริจาคทานภิกษุสองมีสมเด็จพระพุทธองค์เป็นประธานแล้วได้พุทธบยางกรในสํานักของโสพิตาพระพุทธเจ้าแล้วอชิตามานพนี้นานไปนาคตอีกสอสองอสองไขยแสนกลับแกได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามีนามว่าสากะยะมนีโคโดมเนี่ยนะขั้นแล้วสมเด็จพระโสพิตาพระพุทธเจ้าก็ทํากิจเบ็ดเสร็จแล้วก็เสด็จดับขันธะปรินิพาน พระพุทธเจ้าสพระองค์เสด็จอุบัติพระพุทธเจ้าก็เสด็จอุบัติเกิดขึ้นดังที่ได้กล่าวเนี่ยนะนี่ก็คือว่ามีพระสุมังคระพระพุทธเจ้าสุมาะพระพุทธเจ้าเรวตัตพระพุทธเจ้าแล้วก็โสพิตะเมาบัติเกิดขึ้นในโลกนี่นี่เป็นนี้เครากสารมันกับเรียงกันโดยลําดับและได้ทรงรับพยากรณ์จากพระหมหาบุรุษนั้นได้รับพยากรณจากพระพุทธเจ้าทั้ง4พระองค์แล้วก็จนเสด็จดับขันพระธาบริณีพานไปตามลําดับการก็ว่างอยู่นาน จนเส้นสาระมณกัานั้นนะนะพอทิ้นสาระมันดากนนาราากล่วงไปแล้วก็มาถึงชญาสงไข่หมากับเป็นส่วนญาสงไขยกับเป็นต้นเป็นไปตามลําดับจะมาถึงวรกับที่มีพระเจ้าสามพระ อ, องค์มีอโนโอมทัทศีปทุมมุตระแล้วก็พระนาราทธาได้อุบัติเกิดขึ้นในลําดับตรงนี้ก็คือพอม า, มาถึงในการของในเรื่องของสามพระ อ, องค์คืออนโนมทัทศรีเป็นต้อนเหล่านี้ก็มีตอนนี้พระสาวกต่างๆนี่ก็มา บำเพ็ญบารมีกันในช่วงนี้กันค่อนข้า ง, ยางเยอะๆที่ปรากฏเด่นๆเนี่ยนะแต่ที่จริงท่านก็บำเพ็ญบารบีมาก่อนหน้านั้นแล้วไม่ใช่มาไม่ไม่บำเพ็ญบารมีนะแต่ว่ามาปรากฏค่อนข้างชัดเนี่ยนะที่ได้รับพยากรณ์จากพระเจ้าโดยเฉพาะมาสมัยอโนมทัทศีนี่ค่อนข้างที่จะมากนี่ก็เป็นไปในลักษณะอย่างนั้นทีนี้ในตรงนี้ก็คือยังไม่ได้กล่าวในเรื่องของคุณ ที่เป็นมาตามลําดับนีนะที่บอกว่าสุมังคระแล้วก็สุมังคระพระพุทธเจ้าแล้วก็มาสุมาณนะจากพระสุมาณนะแล้วก็มาอะไรพระเรวตตาจากพระเรวตาก็มาอะไรโสวิตานีนะอันนี้ก็เรียกสารมันกับที่พูดถึงในการที่เราบูชาพระพุทธเจ้าตามลําดับนีนะ ที่กล่าวมาสักครู่ที่บอกว่าอาทาสีติรตนาณีอาจุขโตชูตินดารโรมังคโรนามสัมบุธโธนาวุติสหศสายุโกพระสามมาสมพระเจ้าพรนาว่ามังคระพระวรากายสูงแปดสิบศอกทรงไว้ซึ่งความรุ่งเรืองมีพระชนมายุแปดเก้ามื่นปีชาพันนรังสิโยดาา สหสโกกธาตุโยพรันตาตาสาชาเทนตีเอสาโสทิงกรโรตุโนฉับพันตรังสีของพระองค์แผ่ไปคุมจักราวาลคือหมื่นคือแสนจักรวาลเนี่ยขอพระองค์โปรดก่ตามความสวัสดีเดี๋ยวข้าพราะองค์ในการทุกเมื่อเถิดนาวตีราตโนเพทโทสุมาโนนาม า, ายะโกกันญนาจรรส สังกาโซนาวติสาสหายาสายุโกพระสัมมาสมุเจ้าพระนามวสุมาะพระองค์ก็มีพระวรากายสูงก้าสิบศอกทรงเป็นผู้นำเป็นผู้เปรียบเช่นกับภูเขาทองมีพระชนมายุก้าวหมื่นปีนอนโอเปโตพูทะคุเนฮี ส, พสัพพัสตาสิเตสาโกกะโรตุโนโมหาสันติง อโรขยันจาสุขาสถาทรงประกอบด้วยพระพุทธคุณทั้งหลายทรงสแสวงหาความเกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งปวงโปรดกระทำความสงบอันยิ่งใหญ่ความไม่มีโรคและความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในการทุกเมื่อเถิดอสีติราตโนเพโทอัธิสหสกอายุโกเรวะโตนามสัมบทโธ สาพาโรกุตโรมุนีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามวเรวตะพระองค์ก็มีพระวรากายแปดิบสองนสูงพระชนมายุหกมื่นปีตรัตรูธรรมด้วยพระองค์เองประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งปวงทรงเป็นพระมหามุนีตาสาสรินิพัตตาปภพามารานุตาราพรันตาโยชนานิจัง สตาโสถิงกระโรตโนเปรียบแห่งรัศมีอันยอดเยี่ยมแผ่ไปในที่หนึ่งโยอเป็นนิดบังเกิดแล้วที่สรีระของพระองค์โปรดกระทำความสวัสดีแด่ข้าพระองค์ทั้งหลายในการทุกเมือ่อด้วเถิดโสพิตโตนามสัมพุทโทนาวติสาหาสายยโก สังสารสาคเรสตาพหูโมเจติทุกขโตพระสัมมาสุเมเจ้านามว่าโสพิตะพระองค์มีพระชนมายุเก 90, ้าหมื่นปีปลดเปลื้องสัตว์โลกเป็นอันมากจากทุกในสาครคือสังสารวัติอัตถาปัญญาสรัตนางอา จ, จุกขโตมหามุนี โอภาเศติทิสาสภาสทาสดทิงกโรโตโนพระองค์มีพระวรากายสูง58สศอกทรงเป็นพระมหามุนีทรงกระทําทิศ ท, ทั้งปวงให้สว่างสวัยโปรดกระทําความสวัสดีแด่ข้าพระเจ้าทั้งหลายในการทุกเมื่อเธอสาธุลาต่อไปเดี๋ยวเราสวดเมตตา เออคืออย่างนี้นะเดี๋ยวเราจะเลิญเมตตากันสักพักหนึ่งสวดนะในสาทยายในหน้าที่ห้าแล้วก็จะได้อุทิศส่วนกุศลใช่ไหมถวายเป็นพระราชากุศลเดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยที่จริงตามวัดต่างๆ่างทั่วประเทศกันเขาก็เขาก็าาจะทํากันเป็นประจำเขาจะมีเป็นหนังสือส่งไปตามวัดต่างๆประมาณสามหมื่นวัดนี่พระก็จะสวด จะเดินพุทธมนต์กันแล้วก็ถวายพระราช ก, กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็แผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายแต่อุทิศ ส, ส่วนกุศลนี่ก็สรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยคือเป็นอย่างนี้เนะาะพอพูดถึงตรงนี้ก็คือในช่วงอย่างหลังๆมาเนี่ยประเทศชาติเราเนี่ยก็มีเหตุความวุ่นวายกันกังเยอะบ้านเมืองก็ระส่ำระสาย เกิดระบบการขัดแย้งกันใหญ่โตเนี่ยเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่ว่าตั้งแต่ระดับสูงมาจนระดับล่างก็แตกแยกกันมูลเหตุก็คือว่านั่นแหละถ้าพูดตามหลักคําสอนก็คือฤิษยาและความตันดีเป็นเหตถึงความขัดแย้งริษยาก็คือว่าไม่ความตหนดีก็คือว่าห่วงแห็นเนทรัพย์สมบัติและคุณความดีของตน ลิสยาก็คือไม่อยากให้สมบัติและสมบัติของตนเองคุณความดีของตนเองสาธารณะไปกับบุคคลอื่นก็เกิดการแตกแยกกันอันนี้ก็นี่เพราะอะไรเพราะสัตว์โลกไม่ดูคำสอนไม่ไปดูในพระไตรปิฎกในสเก็ปัญหาสูตร <c oughs> ก็เลยไม่รู้ว่าตอนนี้ความแตกแยกมันเกิดที่ใจเราเนาะ <c oughs> เกิดที่ใจแล้วก็มองคนอื่นเป็นศัตรูกันไปหมดแล้วตอนนี้ เหลือแต่ชาวพทุทธที่ยังมีจิตใจมั่นคงในการเจริญกุศลก็ก็วางใจได้พิจารณาเห็นสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนทีนี้เราท่านทั้งหลายจากไม่แสดงออกซึ่งการเจริญกุศลให้ชัดเจนก็ดูไม่เหมาะใช่ไหมก็แสดงออกมาโดยปกติเราแสดงกันไหมแต่ก็ไม่เคยรวมจริงๆคนรวมกันมา ก, กวันนี้ได้ซ้ำไปแต่นี้เราก็เป็นกลุ่ม ย, อย่อยๆใช่ไหมก็ถือว่าเป็นกลุ่มไม่ก็ไม่ย่อยเท่าไหร่นะก็ถือว่ากลุ่มใหญ่ ก็ลองดูพลังของความคิดของเราท่านทั้งหลายตรงนี้ก็เจริญเมตตาตรงนี้นะทีนี้ก็โดยมากก็คือในในปัจจุบันเนี่ยก็ถ้าเราทำเป็นเป็นนิตเนี่ยความสุขก็จะเกิดขึ้นมาได้โดยเฉพาะการเจริญเมตตาเนี่ยอันนี้บง่งบอกได้ชัดเลยว่าชาวพุทธโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยที่ตั้งมาเป็นสังคมเป็นรกเป็นร า, ากขึ้นมาเป็นสังคมของคนไทยเนี่ย สิ่งที่ขาดมากที่สุดก็คือขาดเรื่องเมตตากันโดยเฉพาะเมตตากายกรรมก็ไม่มีเมตตาวจีกรรมก็ไม่มีเมตตามนโนกรรมก็ไม่มีทั้งต่อนหน้าและรับหลังทีนี้เมตตาเนี่ยไม่ใช่แค่แค่ทางมนโนกรรมอย่างเดียวใช่ไหมเมตามันต้องออกมาทางกายกรรมด้วยทั้งทั้งวจีกรรมเป็นต้นด้วยทีนี้เมตตาในก่อนที่เราจะสาธยายเนี่ยต้องทําความเข้าใจก่อนองค์ธรรมของเมตตาไม่ได้แก่อโทศักด อโทศาสเตสิก ค, คือธรรมชาติที่ไม่ไม่โกรธเนี่ยนะคือลักษณะของเมตานั้นมีลักษณะอในความที่ว่ามีความรักมีความปรารถนาดีมีความเอื้ออถอนมีความรักมีความปรารถนาดีมีความเอื้อถ อ, อนเนะี่ยต่อตอนเองและบุคคลอื่นฉะนั้นในการรู้จักลักษณะของเมตตาจึงสําคัญกิจของเมตตาดูตรงไหนดูการที่ว่าเมตานั้นมันเอื้อหมอกไป คำาเอื้อออกไปแปลว่าถ้ามันออกมาทางจิตเนี่ยนะเมตตานั้นมันจะแผ่ออกไปจากจิตนะแล้วก็จะน้อมไปถึงบุคคลอื่นมีความรักบุคคลอื่นจริงๆเหมือนรักตนเองจริงๆนะเรามีความรักเรามีความปรารถนาดีเรามีความเอื้ อ, อทอนเรามีความห่วงมีความปรารถนาดีกับตนเองอย่างไรก็น้อมความรักความปรารถนาดีานั้นให้กับบุคคลอื่นวันวันหนึ่งเนี่ยเราคิดถึงใครบ้างใช่ห เราจะคิดมากไปหมดเลยแต่โดยมากมันไปไกล่กับความคิดแต่เมตตาคือความรักความปรารถนาดีมันไม่ไปกับความคิดนั่นด้วยวันนี้ก็เลยมานั่งคุยกันว่าเออช่วงหนึ่งเราจะเริญพุทธคุณอันนี้พุทธคุณพอมาเต็มห้องใจพอ ร, ระดับหนึ่งแล้วอีกช่วงท้ายๆเนี่ยก็ขอให้เป็นไปกับการเจริญเมตตาเมื่อเจริญเมตตาเสร็จนั้นเราจะได้แพ่ เมตตาที่มันเต็มในใจเราท่านทั้งหลายเนี่ยเมื่อเราแผ่ให้กับตนเองพอประมาณแล้วก็แผ่ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายโดยเฉพาะก็คือว่าที่เขาบอกถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนียซึ่งเป็นองค์ประมุขนก็เอามาพูดแต่ที่แรกไงบอกว่าเพราะพระองค์เนี่ยที่ว่าถ้าเปลียนมาประเทศที่ว่าเป็นปิระมิดที่พูดกันว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ก็อยู่ข้างบน แต่ปีระมิดของประเทศไทยมันไปกลับหัวกลับหางตัวนี้มันไปทิ่หมหัวลงทุกอย่างมันก็เลยเทยไปที่กษัตริย์ก็หนักเลยใช่ไหมนี่เราท่านทั้งหลายก็ต้องการที่จะถวายทําบุญทั้งหลายบุญกุศลที่ทําทั้งหลายก็ถวายเป็นพระราชกุศลแามว่าถวายเป็นพระราชกุศลเนี่ยพระองค์จะทราบหรือไม่ทราบไม่ไมเป็นไรแต่เราในฐานะเป็นประสบนิกกรใช่ไหม เป็นผู้ที่อยู่ใต้บรมโมโพธิสมภารอันนี้เราก็ก็ทำตามหน้าที่ให้สังเกตดูนะหลักกระตันยูเขามีว่าความกระตันยูกระตาเวทีนั้นมีอยู่นี้โดยหลักการนี่นะหนึ่งกรณีที่กะตันยูกับกระตาเวทีเนี่ยพ่อแม่เนี่ยนะเรากระตันยูกับพ่อกับแม่ใช่ไหมกับพ่อกับแม่ในฐานะที่เราเป็นลูกเนี่ยก็กระตันยูกับพ่อกับแม่ การกระตันโยก็คือว่าให้สังเกตดูนะว่าท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทํำกิจของท่านดำรงวงตระกูลทําตนให้เหมาะสมในการรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศใช่ไหมในหลักเนี้ยทีนี้เราในฐานะที่เ อ, อในกรณีที่เราประพฤติปฏิบัติต่อครูอาจารย์แล้วก็ประพฤติปฏิบัติให้ถูกในฐานะใครเป็นอาจารย์ใครเป็นศิษย์มันก็จะเชื่อมโยงกันให้ถูกหรือ ในขณะที่เรามาพิจารณาเราในฐานะประสมนิกกรใช่ไม้มคนที่เป็นใหญ่เป็นโตในประเทศนั้นๆที่สังคมยกย่องขึ้นมาเป็นผู้นำทั้งหลายเนี่ยในฐานะเป็นพระราชามหากษัตริย์นั้นเราในฐานะเป็นประสมนิกกรก็ต้องกระตัญยูกระดาเวทีในการตอบแทนว่าคุณอันนี้มันเป็นหลักที่เราต้องทำกันเป็นประจา ประการเนี่ยดังเนี้ยก็หลักก็คือว่าหนึ่งเราต้องตอบแทนฐานะเป็นลูกตอบแทนกับพ่อแม่ยังไงฐานะในการที่เป็นสิทธิ์ในตอบแทนกับอาจารย์ครูอาจารย์อย่างไรในฐานะที่เป็นเป็นประสบนิกรของพระองค์เราจะตอบแทนพระ อ, องค์อย่างไรแล้วก็ในฐานะในการที่เป็นชาวพุทธบริษัทจะตอบแทนพระพุทธเจ้าอย่างไรเป็นต้นเนี่ยต้องวางหลักให้ถูกเนี่ยสี่หลักเนี่ยหลักศิทธิ์กับอาจารย์ ลูกกับลูกกับแม่เนี่ยนะแล้วก็เรากับพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็เรากับพระพุทธเจ้าเนี้ยท่านก็วางหลักให้ถูกอันนี้ก็เหมือนกันเราก็ต้องทาหน้าที่ให้มันครบในฐานะที่เราเนี่ยเป็นศึกษาคำสอนเรารู้หลักกรตันยูกระตาวทีก็ต้องทาให้ถูกต้องตรงนี้ทีนี้ในหลักของเมตตาเนี่ยมันดีอย่างเงย ในคําสอนของพระบรมศาสดาท่านจะพูดในเรื่องของเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมและเมตตามนโนกรรมเมตตากรรมฐานเนี่ยทัดสอนพระเนี่ยนะท่านจะบอกบอกว่าในบรรดาเมตตามนโนกรรมเนี่ยวิธีคิดวิธีคิดก็คือว่ามีเมตตาทั้งต่อหน้าและลับหลังทั้งต่อหน้าก็คือเมตตาถ้ามนโนกรรมเนี่ยก็คือว่าเวลามองกันเนี่ยอั น, นี่แปลว่าต่อหน้า ไม่ได้เป็นไปทางกายในะกรรมมองเนี่ยท่านเรียกว่าเป็นเมตตามโนกรรมต้องมองกันได้ปิยะจักสุในขณะที่เห็นเห็นกันอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการเจริญเมตามรรม ต, าเมตามโนกรรมต่อหน้าในเมตตามโนกรรมต่อหน้าคือการคิดปรารถนาดีบอกว่าให้เขามีความสุขปราศจากทุกข์มีใจเบิกบานใช่ไหมเหมือนบางแห่งท่านก็บอกคิดในลักษณะบอกว่าขอให้ ท่านเหล่านี้ระบุหรือไม่ระบุก็แล้วแต่อย่างกรณีที่ถ้าเป็นอ น, นุทิสสะพรนามตาเนี่ยเมตตาที่แผ่ไปโดยไม่เจาะจงท่านก็บอกสัตว์ผู้คล่องด้วยชันนราคะตรงนี้เขาใช้คาว่าสเพสตาเวลานี่นะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยที่เป็นเพื่อนทุกเป็นต้นเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเน่บางทีถึงนี้ท่านก็ บ, บอกว่าจงเป็นผู้มีความสุขเถอะ อย่าได้มีเวรต่อกันแลกันเลยใช่ไหมอย่าได้มีจิตพยาบาทอาฆาตปองร้ายซึ่งกันและกันสมมุติอย่างเงี้ยนะแล้วก็อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยแล้วก็รักษาตนให้พ้นจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงถึงคือเวลาเราน้อมเนี่ยให้เขามีความสุขทั้งสุขกายและสุขใจขอให้เขาอย่าได้มีความพยาบาทอาฆาตปองร้าย ให้เขาประสบแต่ความสุขความเจริญทํากิจการงานใดๆขอให้เขาประสบความำสําเร็จในชีวิตต่างๆเนี่ยเขาคิดในสิ่งที่ดีงามทั้งหลายขอให้ความคิดความหมานของเขานั้นเป็นไปอย่างไม่ขัดข้องให้สําเร็จโดยง่ายโดยสะดวกโดยเร็วโดยพันเนี่ยนะวเวลาเราคิดไปในลักษณะเนี้ใจก็เป็นไปกับเมตตาไอ้ลักษณะนี้ก็เรียกเมตตามโนกรรมตอนหะน้าถ้าเมตตามโนกรรมรับหลังเนี่ยถ้าเป็นพระเนี่ย ถ้าตอนกลางคืนหรือกลางวันนั่งณอาสนะเดียวเบ็ดเสร็จท่านกรรมานาสิกานจะหลับตาลืมตาได้มากท่านหลับตานี่นะท่านก็ น, น้อมและลึกถึงบอกว่ า, าท่านท่านระลึกแผลไมตาให้สงเนี่ยนะภิกษุขอให้ภิกษุสงที่อยู่ในอาวาสเหล่านี้จงเป็นผู้มีความสุขเถิดอย่าได้มีเวีนต่อกันและการอย่าได้มีจิตปยาบาทอาฆาตบองร้าอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจรักษาตในให้พ้นจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงทูลใช่ไ หรือว่าบุคคลทั้งหลายที่อยู่ในอาวาสแห่งนี้เขาจะแผ่ให้กับบุคคลที่อยู่ในอาวาสก่อนแล้วก็ค่อยๆกินพื้นที่ไปเรื่อยๆอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เรียกเมตตามโนกรรมรับหลังไม่ได้ทําต่อหน้าทีนี้ถ้าเมตตากายกรรมอันนั้นมันเกี่ยวกับการทําทางกายเช่นมีการหยิบของทําของให้เช็ดเก้าอี้ให้ยกอาหารให้ซักผ้าให้ที่ทําต่อหน้าเป็นต้นเลยเนี้ย เช็ดปัดกวาดถูเป็นต้นแล้วก็ในขณะทํานั้นก็ไม่ทําเป็นปกติใจก็เปลียนไปกับเมตตามีความรักความปรารถนาดีและเอื้อทอนเมื่อเราอยู่ในบ้านเนี่ยให้สังเกตด้วยระหว่างแม่บ้านพ่อบ้านระหว่างแม่กับลูกพ่อกับลูกแรงต่างแล้วแต่ลูกกับแม่กับพ่อเนี่เวลาไปทําต่อกันแล้วกันเนี่ยก็ขบพระพืชปฏิบัติอยู่ต่อหน้ากันก็ทําด้วยความรักความปรารถนาดีทําอาหารดูแลซึ่งกันและกันอะไรต่างๆมีหน้าตายิ้มแย้มแผ่นใสใช่ไหม